ถ้าตราบใดจิตของเราไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่มีสุตตะไม่มีปัญญาไม่มีจาระคไม่มีไม่มีวิมุตต์คือความหลุดพ้นแม้ว่าเราจะตั้งใจพยายามที่จะละกิเลสอย่างไรก็ตามเราไม่สา ม, มารถที่จะละได้ผู้ที่จะละกิเลสได้ต้องทำจิตให้เป็นศีลคือตัวปกติ นอกจากจะมีศีลแล้วต้องมีสัจจะนอกจากมีสัจจะแล้วต้องมีสุตะคอยสัตย์ตรับฟังสิ่งที่เกิ ด, ดกจักสติด้วยความมีสติสัมปชัญญะโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อมีสิ่งรโรปราวกตานอยู่เรามีสติ ด, ดูอยู่ปัญญาย่อมบางเกิดขึ้นเมื่อปัญญาบางเกิดขึ้นแล้ววิชาก็ย่อมบางเกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัว เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็กลายเป็นผู้สามารถสลัดกืนซึ่งกิเลสข้างโค้งได้แล้วก็หลุดพ้นถือวิมุตในวิถีทางของการดูจิตถ้าจะว่าโดยสรุปย่อย่อแล้วมีเพียงแค่นี้แต่ตามที่เราจะปฏิบัติได้ถึงขนาดนี้เราก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายาม ความภาพาเพียนพยานยที่เราจะเพิ่งทำนั้นหนึ่งต้องมีศีลแล้วก็มีสัจจะตั้งใจจะมีเจตนางดเว้นตามศีลนั้นๆที่เราได้ปฏิญาณได้สมทานมาแล้วด้วยความจริงใจเมื่อเรามีศีลเมื่อไรเมื่อนั้นเราละกิเลสโดยเจตนา แต่ความจริงสิ่งที่เราจะละเมิดศีลข้อนั้นๆไม่ใช่เรื่องที่เล็กภาณาบาียบาสัตว์สัตว์ก็เป็นวัตถุหรือเป็นส่วนประกอบที่ให้เราได้ละเมิดศีลอธินาทานก็คือวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลตาเมสมิจข้าจาร์ก็เป็นวัตถุเป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลโมสาบ้า ก็เป็นคาพูดซึ่งสอเจตนาเป็นเหตุให้เราได้ระเมิดสิสุราการดื่มน้ำเมาคือน้ำดองของเมาก็เป็นวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ระเมิดสติเมื่อเรามีเจตนาอันแน่วแน่แล้วมีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมเจตนาของเราให้อยู่ในความเป็นปกติแม้จะเป็นการฝืนใจก็ตาม แต่เราตั้งใจแน่วแน่ว่าจะละเว้นโทษนั้นนั้นด้วยความจริงใจเมือเป็นแ่นั้นเราก็มีสัจจะคือความจริงใจในการที่จะละโทษคือสิ่งที่เราจะพึงทำด้วยอำนาจของจิเลตฆ่ากันได้าะโทสัขโมยของกันได้าะโลภะ ทำตาเมุ่มิชายารยได้เพราะความโลภที่ไม่รู้จักเพียงพอโมสาืโกโกหกกันได้เพราะมีเจตนาเหลวไหลสซราเดิมของน้ำดองของเมาได้เพราะหลงไหลในรถและถือว่าเป็นของดีพิเศษเมื่อเรามีเจตนาแน่วแน่ว่าจะตัด วัตถุอันเป็นเหตุให้เกิดโทษภาพละกันในตอนแรกเราตั้งใจเป็นการฝึกใจให้มีความกล้องปัวให้มีความชนานาญให้มีเจตนาอันเป็นอัจโนมัติเมื่อเจตนาของเราเป็นอัจฉริมัติเราแตา่สร้างใจก่อตามไม่ได้ต่างใจก่อตามศีลของเราก็มีอยู่เป็นปกติในขั้นต้น จะกลายเป็นศีลปกติกายปกติวาจาเพราะศีลยังไม่เข้าถึงใจเพราะอาศัยความปกติกายปกติวาจานี่เป็นเหตุเป็นปัจัยหนุนเนื่องให้เกิดศีลคือตัวปกติภายในจิตในใจของเราในมรใจของเราเป็นปกติแม้แต่เจตนาน้อยหนึ่งที่จะทำความทั่วก็ไม่มี จิตมีพลังงานสามารถที่จะปฏิวัติตัวมุ่งไปสู่คุณงามความดีอันไม่ผิดศีลผิดธรรมซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเราก็เกิดมีศีลขึ้นในจิตในใจของเราเมื่อศีลอยู่ในใจของเราโดยพร้อมบูรณมีความเป็นปกติมีพลังเข้มขน้นความคิดที่จะทําบาป ท, ทำกรรม อันเป็นเหตุระเบิดศีลนั้ น, น, นย่อมไม่มีเมื่อเราไม่มีเจตนาจะทาบาปทาความทั่ขอันเป็นเหตุระเบิดศีลความเหินห่างจากความทั่วที่เราเคยทำไว้ในอดีตมันก็ค่อยยืดเวลานานไปไกลไปห่างไปห่างไปจะรู้สึกว่าลืมความทั่วที่เราเคยทำไวแล้ว เราจิตของเราดูเดื่มในความดีรู้แล้วว่าความดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่เป็นคุณนิธรรมอำนวยประโยชน์ให้เรามีความสุขใจมีความภาคภูมิใจทำให้เรามีปีติลนควารรมสุขใจในเมื่อจิตใจของเรามีปีติมีความสุขมีความดูดดื่มในคุณนธรรม จิตของเรามองเห็นคุณเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเห็นคนค่าของคุ ณ, ณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตอย่างมั่นคงมีหรือที่จิตจะต้องย้อนไปคุกเข้ากับความชั่วร้ายที่เคยผ่านมาแล้วเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้คือความเป็นไปของจิตผู้ภาวนาจะต้องเป็นเช่นนั้น ที่นี้เรามาพูดถึงอุบายวิธีการภาวนามาพูดถึงวิธีการอุบายการภาวนานอกจากจะทาให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขเกิดสติปัญญารู้แจ้งเหตจริงในสภาวะธรรมแล้วยังเป็นอุบายวิธีที่จะสร้างความเป็นพุทธะให้บังเกิดขึ้นในจิต ท่านเคยสังเกตไหมว่าพุทธะเคยเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดดําเนินการภาวนาด้วยวิธีสมถ ภ, ภาวนาก็ตามด้วยวิธีวิปัสสนาก็ตามเมื่อจิตของท่านได้วิตกวิจารณ์ในการบริกรรมภาวนาเพื่อจิตบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ และก็มีสติรู้เองโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันเมื่อท่านพิจารณาอะไรอยู่จิตของท่านพิจารณาสิ่งนั้นๆเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจแต่สติผู้ควบคุมเ็ทําหน้าที่เองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นภายในจิตของท่านเงาแห่งพุทธะได้ปรากฏขึ้นมาบ้างแล้ว เพราะท่านมีสติรลดตัวตื่นอยู่เป็นเบื้องต้นเมื่อท่านภาพเพียนพยายามทําไปอบรมให้มากๆแต่ทําให้มากๆทําให้คล่องตัวทําจนทานิชทำนานจนจิตของท่านกลายเป็นอัตโนมัติในการปฏิบัติธรรมจิตย่อมก้าวเข้าไปสู่ความสงบเมื่อสงบแล้วก็เกิดมีปีติเกิดมีความสุข เกิดมีความเป็นหนึ่งคือเอกับทาตาเมื่อจิตของท่านมีวิตกวิจารปีติสุขเอกับขตาอยู่จิตสงบอยู่สว่างสวัยอยู่รู้อยู่ตื่นอยู่เห็นอยู่จิตของท่านก็เกิดมีพุทธะบางเกิดขึ้นแล้วเพราะในขณะนั้นลักษณะรู้ในจิตของท่านปรากฏขึ้น คือรู้อารมณ์ด้วยความมีสติสัมปชัญญะอันเป็นอัตโนมัติหลเจิตของท่านสงบอยู่ในลักษณะของสมาธิในฌานท่านที่ห น, นึง่งมีความแจมใสเบิกบานมีความสว่างสวยัย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 เจตจะมาโลยู่ที่จิตสว่างสวัยอยู่ที่จิ ต, จตในบางครั้งจะรู้สึกว่าความสว่างนั้นแผ่รักมีคลุมตัวเจตของท่านเริ่มเปิดตัวรู้ภายในจิตสัญญาที่เพ่งออกไปทางตาเริ่มหายไปมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่ในจิตอย่างเดียว ในตอนนี้จิตของท่านเป็นพูทธะผู้รู้ผู้เบิกบานแจ่มใสยิ่งขึ้นจิตของท่านเพิ่มพลังมากขึ้นขณะด้านกายของท่านยังจะปลากฏดอยู่การหายใจของท่านจะห่างซึ่งเมื่อก่อนท่านอาจจะหายใจนาทีละสิบแปดครั้ง เมื่อเจตของท่านอยู่ในลักษณะสมาธิท่าน ท, านทานที่หนึ่งท่านจะหายใจนาทีละแปดครั้งบบกสี่ครั้งบงักทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นเพราะลมมันละเอียดจิตก็ละเอียดเพราะอาศัย้าที่จิตมีตัวรู้ทั่วทั้งกาย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 ของท่านรู้อยู่โดยไม่มีความนึกคิดใดๆเกิดขึ้นอิดธิออของท่านละวิตกละวิจารมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่เฉยๆแม้ว่าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในกายแต่ก็เพียงแต่รู้ทั่วทั้งกายอยู่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 ลมหายใจก็จะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วตัวของท่านก็หายหมอดมีแต่จิตดวงเดียวลอยเดินอยู่ไม่มีร่างกายไม่มีอวัยวะมีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นสงบนิ่งสว่างสบายอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะในขณะนั้นจิตไม่มี อะไรที่จะกําหนดเป็นแต่เพียงจิตรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าอยู่สูงหรืออยู่ตำ่ำไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเพราะในขณะนั้นจิตของท่านปล่อยวางกายปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางทุกเิียงทุกอย่างมีแต่ความสงบนิ่ง เด่นสว่างสวยอยู่เท่านั้นถ้าหากว่าจิตของท่านดำเนินอยู่ในขั้นสมถะจิตก็ย่อมสงบนิ่งสว่างสวยไม่มีปฏิกิยาอาการที่จะรู้อะไรแม้ว่าบางครั้งจิตของท่านอาจจะปรากฏมองเห็นร่างกายของตัวเอง นอนตายเหยียดยาวอยู่จิตก็จะไม่บอกว่าเราตายแล้วเขาจะรู้อยู่เฉยๆถ้าโน่งผ้าห่มที่ปิดพันร่างกายหายไปหมดเขาก็อยู่เฉยๆเขาจะไม่รู้สึกอายทำไมอ่ะก็เพราะในขณะนั้นเขาไม่ได้อยู่กับกายแล้วนี่ เขาแยกตัวจากกายไปเป็นตัวของเขาเองในเมื่อเขามีตัวของเขาเองเพียงตัวคนเดียวเขาไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เขาจะไปรู้จักายทำไมพิ่งกวานั้นเมื่อร่างกายเปลยเปล่าไม่มีสิ่งปกปิดเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไม่มีและเจตก็จะรู้เทยอยู่ไม่มีปฏิจิริยาอาการใดๆ ด่างกายที่เปลืยเปล่าเกิดเคลื่นอิดแสดงอาการเจนเอาจิตเขากระโดดเฉยๆอยู่เขาไม่ว่าอะไรไม่เลิกไม่คิดเป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆเมื่อเคลนเอืดแล้วน้ําเหลืองไหลทุกสิ่งทุกอย่างค่อยสลายตัวไปเนื้อหนังพังลงไปน้าเหลืองไหลเยิ้ม ในที่สุดเหลือแต่โครงกระดูกเขาก็จะรู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวเมื่อเขารู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวแม้แต่โครงกระดูกก็สึกกร่อนหรือหักพังไปแหลกละเอียดละลายไปหายสาบผุไปในพื้นแผ่นดินไม่มีอะไรเหลือในที่สุดพื้นแผ่นดินก็หายไปหมดเดชเข้าไปสู่ความสงบนร่งว่างสว่างสวัย เข้าไปสู่สมถะอีกเธออยู่ในฐานอีกนี่คือปรากฏการซึ่งนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องผ่านแต่ไม่เสมอไปไม่เป็นไปเหมือนกันหมดทุกขัน้นทุกคนแล้วแต่พลังของอุปนิสัยของใครที่จะเป็นไปได้ตามบุญวัตนาสนาบารมี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 โชคเก่งทุกอย่างไม่ได้เฉยอยู่อยู่ในท่ากลางอารมณ์ไม่มีความนึกคิดไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อจิตว่างเปล่าอยู่ในทั่วขนาดหนึ่งถ้าไอ้เจ้าจิต ด, ดวงนี้ไม่หลงไหลดอดไปเล่นทานตามฤูสีเข้า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 หมพนเล็บฟานหลังก็ปลาโกดขึ้นกลับมาเป็นล่างโดยสมบูรณ์อีกอย่างเดิมทีนี้เมื่อนักภาวนาผ่านความเป็นอย่างนี้ไปแล้วจิตถอนออกจากสมาธิพอมาสัมผัสรู้ว่ามีกายเท่านั้นจิตของเราจะอธิบายความเป็นอันนี้ ให้เรารู้เราจะรู้ว่านี่คือการตายตายแล้วมันเน่าขึ้นอืดนี่คืออสุภาพกรรมฐานเมื่อมันสลายตัวหายสาบสูญไปหมดแล้วอ้อนี่คือธาตุกรรมฐานในเมื่อเจตมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟโลแจ้งเห็นธัดุหายสงสัย เขาก็ู้ธาตุกรรมฐานในเมโลธาตุกรรมฐานแล้วจิตจะก้น้าหาอัตการโกตนไม่มีมองไปไหนก็เห็นแต่ดิบมองไปไหนก็เห็นแต่น้ำมองไปไหนก็เห็นแต่ลมมองไปไหนก็เห็นแต่ไฟสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหนเล่ากองผลสุดท้ายเราก็คนหาคนหาสัตว์ไม่มี แต่แท้ที่จรจงตายของเรานี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตราตัวตนข้อแท้จรจงของเขาก็คือการประชุมของธาตุสี่ติน้ำลมไฟอาศัยเจ้าปฏิสนธิเปินยานตัวนี้เข้ามาสิงสถิตยอยู่มีข้าวน้ำป้อนมามีมกรรมเป็นผู้ประทับชุบเลี้ยง ให้มีความจเจริญเติบโตเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาในเมื่อเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็เกิดอาหางการบ่มังการคือเราถือเขาเือว่าร่างกายทั้งสิ้นเป็นตัวของตัวล้วก็เกิดความหวงเปล่าเกิดความหวงแหนนอกใจเกิดความหวงหแหนเราอยังเกิดความหึงหวง เป็นอาการของกิเลสเกิด ข, ขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานเป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะยอมรับได้ไหมว่าจิตของท่านได้เดินวิปัสสนากรรมาฐานโดยถูกต้องแล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าร่างกายนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อยังมีทีวิตยูไม่ตายมีใจประกอบพร้อมกัน มันก็ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์อยู่แต่ถ้าไอ้เจ้าจิตวิญญาณดวงนี้ย้ายที่อยู่คือออกจากร่างกายไปเสียร่านตายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามโรูปานของมันเมื่อจิตสิกายแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไอ้เจ้ากายก็เป็นธาตุศพ ไอ้เจ้าจิตวิทญาณตัวนี้ถ้ามีบุญมีกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาอินศมแต่ถ้ากว่ามีบาปมีกรรมก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เทลขานซึ่งแล้วแต่ผลกรรมจะหนุนเนื่องให้เป็นไปทางนี้เราจะโลกรของความจริงโดยธรรมชาติจิตอย่างหนึ่งขึ้นมาโรว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎของกรรม ตัมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาเกิดตัมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาตายตัมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาสุขมาทุกมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารจิปาถาโอยนาสุดสังเวชจิตนี่ถ้าเราพิจารณาให้มันถึงขั้นมันแล้วเราสามารถที่จะผ่านทั้งภูมิสมถะทั้งภูมิวิปัสสนา ท่านสงสัยหรือเปล่าว่าสมถะคืออะไรวิปัสนาคืออะไรสมถะก็คือความสงบจิตวิปัสนาก็คือความรู้จริงโลแล้วหายสงสัยอย่างเมื่อก่อนนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าสมาธิคืออะไรหนอเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้ ท่านตรู้ทันทีว่านี่คือสมาธิคำามารู้ว่านี่คือสมาธินั่นแหละคือวิปัสนาความเห็นแก้เพราะรู้จริงอย่าไปเข้าใจว่าวิปัสนาคือการทำจิตให้สงบเกิดสว่างสวยัยถ้าไปสำคัญเอาความสว่างของจิตเป็นวิปัสนาวิปัชโนปะกิเลสจะกินใจท่าน เพามันมีความเห็นผิดคำ ว, ว่ารู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้หมายความว่ารู้แจ้งสว่างเหมือนดวงเดือนดวงตะวันความรู้แจ้งเห็นจริงหมายความว่ารู้แล้วหายสงสัยในสิ่งที่รู้เห็นรู้ว่านี่คือสมาธิความสงบตั้งมั่นของจิตเป็นสมาธิ เมื่อเราสามารถรู้ว่านี่คือสมาธินั่นเป็นวิปัสสนานับภาวนาทั้งหลายอย่าไปมุ่งที่จะให้ได้ทานได้ยานถ้าเราไปมุ่งที่อยา ก, กยได้โน้นได้นี่เราจะไม่ได้้าท่านจะภาวนาพุโทโธก็ท่องพุโทโธท่องเล่นๆ เ, เหมือนกับเราไม่ต้องการผลตอบแทนแต่ว่าเราท่องไม่หยุด ถ้าเราจะค้นคิดพิดจารณาอะไรก็ ค, คิดมันไมุ่ดอย่าไปข่มจิตหรืออย่าไปบังคับจิตให้มันเกิดความสงบสมาธิเป็นผลงานซึ่งเกิดจากการปฏิบัติผลงานท่านบีบบังคับเอาไม่ได้นักปฏิบัติที่ประพฤต์ตนเหมือนคนชิงสุกก่อนับภาวนาแล้วไปบังคับจิตให้เกิดความหยุดนิ่ง ด้วยความตั้งใจนึกข่มเอาในเมื่อเกิดขัดข่มจิตบ่อยๆเข้ามันเกิดความทนานาในการขบในการสกัดความคิดพอนึกจะให้จิตมันนิ่งเมื่อไร่นึกลงไปมันก็นิ่งแต่มันนิ่งแล้วมันไม่มีปัญญามันไปนิ่งอยู่เฉยๆอันนี้ท่านเรียกว่าสมาถะที่ไม่เกิดปัญญา เราเหตุที่เราไปบังคับจิตให้มันสงบทางที่ดีที่ถูกที่ควรเมื่อท่านบริกรรมภาวนาก็ดีท่านพิจารณาอะไรก็ดีอย่าไปข บ, อ ย, ป บ, บอย่าไปบังคับอย่าไปบีบให้จิตมันนิ่งสงบเมื่อท่านฝึกอดบีบจิตหรือบังคับจิตให้มันนิ่งสงบจนคล่องตัวแล้ว นักด่าเข้าจิตของท่านทำนานต่อการสงบนิ่งโดยความโดยการบังคับมันจะกลายเป็นจิตปวดหู่ไม่เอาไหนเมื่อท่านจะกระตุ้นให้มันค้นคิดพิจารณามันจะไม่ไปเมื่อตั้งใจคิดไปสักหน่อยหนึ่งเผลอมันก็หยุด น, นิ่งเน่งอยางไม่มีน้ำไม่มีนวนนิ่งซื่อซื่อเ่งอยางไม่มีความหมายเป็นโมหะสมาธิ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 พิจารณาไม่หยุดภาวิตาอบรมให้มันมากมากอโหรีกตาทำให้มากๆทํทำให้คล่องตัวทำให้ ท, นทนานิทํานานจนจิตของเราเป็นอัตโนมัติในการบริกรรมภาวนาและพิจารณาสามารถที่จะปฏิวัติตนเองไปสู่ภูมิแห่งความสงบได้เองโดยอัตโนมัติ ความตสงบมันจะเกิดก็เกิดขึ้นเองปีติจะเกิดก็เกิดเองสุขจะเกิดก็เกิดเองอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิจะเกิดก็เกิดเองเกิดเพราะเหตุแห่งบริกรรมภาวนาเกิดเพราะเหตุแห่งการใช้สติปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งความเจริญในการปฏิบัติจะไปบีบตังคับจิตเป็นแต่เพียงว่าหาฐานที่ตั้งให้แก่จิต ปฎิกรรมภาวนาเป็นฐานที่ตั้งของจิตการพิจารณาอะไรก็ตามเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นการฝึกพัฒสติให้มีความมั่นคงจนสามารถเจตุ่งไปสโศจตัยสามารถที่จะเจ้าโลจดั้นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเจตท่องเราก็เกิดความสงบมีสมาธิมีปีติมีความสุข สีลัปริภาวิตโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตังสมะมเตวะอาเวหิวิปุจจิตแท้ยาที่ดำกามตะอากามตันห้าภาวะกันห้าวิภวะกันห้า อ, okay. อาวิชัยวิชาภาวะภ และอะไรอีกล่ะคิดเอาเองก็แล้วกันเสียนอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตเพราะฉะนั้นใครจะไปปฏิเสธว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญามันจะไม่เกิดเรื่องการอบรมจิตคืออบรมกรมกรมฐานคามจริงกรมาฐานใครจะฟัง หรืออบลมหรือไม่ก็ตามเรามีกรรมฐานประจำตัวกันอยู่แล้วทุกกนผมผลเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นกรรมฐานท้านับบวดทั้งหลายก่อนที่จะเดคลองใตาจีวนเป็นแบบพระคิดเทศและอุปชายยะ้อให้เปลียนกรรมฐานท้า กรรมฐานห้าคือกรรมฐานอันเป็นเข้าเป็นมูดเป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่นักบวชทุกท่านทุกองค์จะต้องพิจารณาให้แตกมีคำกล่าวของครูครบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่านักบวชต้องพิจารณากรรมฐานห้าให้แตกต้องพยายามตีเส้นผมให้แตกให้ละเอียดพั่ว ขับรถแท็กเตอร์เขายังสามารถโคดกนไกูคเขาสูงจดท้องฟ้าให้ลากเป็นลา้าลองได้ถ้าหากนก บ, บวดตีผมเส้นเดียวไม่แตกจะไม่โง่กว่าคนขับรถแท็กเตอร์หรือนี่มีเป็นคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวเป็นคติเตือนใจในเวลาท่านสอนลูกศิษย์ของท่าน ดังนั้นกรรมฐานห้านี่จึงเป็นเรื่องสำคัญทำไมหนอพระอุปัชยายึงให้เรียนกรรมฐานห้าก่อนอื่นนอกจากจะให้เรียนให้จำได้แล้วยังสอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิปูณได้เกลียดสโสโครกที่ท่านให้ทำเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเครื่องหมายของความสวยความงาม หรือความไม่สวยไม่งามของคนเรานั่นอยู่ที่ผมขนและฟันหนังผมขนและฟันหนังนี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาอวดกันใครมีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีขนงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีฟันงามเขาเรียกว่าคนงาม มีผิวงามเขาก็เรียกว่าคนงามคือมีหนังงามถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมานั้นเรามองเห็นด้วยตาแล้วรู้แตกว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของที่ริว้วที่เร่คว า, ามสำนึกยินดีหรือคว า, ามพอใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเย็นอย่างคนที่มีผิวหนังเป็นที่ปรากเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นบาดแผลต่างๆไม่มีใครชอบนอกจากจะไม่ชอบแล้วเรายังไม่อยากเข้าไปนั่งใกล้เพราะมันกก่ๆดังนั้นความสวยความงามอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ปิดหูปิดตาปิดตาให้สาธุชนภูตุชนหมกมุ่นอยู่กับความสวยความงามเมื่อจิตอยู่กับความสวยความงามแล้ว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 จิตใจรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปว่าไม่สวยไม่นามจริงๆเราก็จะได้ปล o n ปัญญาเห็นความจริงว่ า, า ร, ร่างกายเป็นของปฏิบูรเต็มไปด้วยของเน่าเป่อยผุพังเป็นของน่าเกลียดโซก็เป็นอย่างดีเป็นอบายสําหรับขจัดราคะความก า, าหนัดจริงดีซึ่งจะเกิดขึ้นคลุ้มลมจงจิตใจที่เละตัวใด จะมีอิทธิพลเหอนอย่างราคะไม่มีการปฏิบัติธรรมถ้าราคะตามกหลัดจินตีเข้ามาเล่นงานแล้วนักปฏิบัติทั้งหลายย่อมเสียข้าพันทุกองคพระเน้นที่บวชอยู่ในวัดบวชจูได้ไม่ตลอดชีวิตเกะอะไรเพราะราคะตัวเดียวดังนั้นประตูด่านแรกที่เราจะต้อง ร่นนลมต่อสู้กันยังเอาเป็นเอาตายก็คือการขจัดราะความกำหนัดจิตดีแม้จะเป็นไปได้ชั่วขณะหนึ่งก็ตามก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนภูมจิตให้ก้าวหน้าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงอันนี้คือเหตุผลที่ท่านสอนให้พิจรารณากรรมฐานห้า นงนโพสต์เรื่องการภาวนาการภาวนาหมายความว่าการคบการรมหรือการบ่มนิสัยการพ่อคูณการสะสมคุณงามความดีมีอุบายวิธีหลายอย่างที่เราจะฝึงยึดเป็นหลักปฏิบัติแม้ว่าอุบายวิธีนั้นๆจะมีมากมายสับเพียงใดก็ตาม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 จะนำมากล่าวเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังพคตถึงเรื่องภาวนาหรือสรรมถานว่าข้อใหญ่มีอยู่สองอย่างคือสมถะสมถานสมถานเป็นอุบายสงบใจวิปัชนาสมถานสมถานเป็นอุบายเรืองปัญญาคือให้เกิดปัญญานั้นเองทาว่าสมถะสมถานก็ดี วิปัสสนากรรมาฐานก็ดีเป็นแต่เพียงชื่อของวิธีัารเป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติด้วยกันทั้ง2องอย่างซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้จะเจริญวิปัสสนาต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนหรือทำจิตให้ได้สมาธิได้ฌานสี่หรือฌานอะไรก็แล้วแต่แล้วจึงจะเจริญวิปัสสนา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 หรือใครจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นซึ่งสุดแท้แต่อารมณ์มหรือบริกรรมนั้นๆจะบอกปับจริตนิสัยของตนบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบมุ่งหมายเพื่อขจัดนิวรธาคือการมฉันรรพระพยาบาทสินามิาธธรรมตรพระอุศจักขุปจักเป็นวิธีการที่จะทําจิตให้สงบส่วนวิธีวิปัชนานั้น หมายเ่องการปฏิบัติโดยไม่ต้องบริธรรมภาวตาหรือท่องคาถ า, าบทใดบทหนึ่งพอเริ่มต้นแล้วเราหาเรื่องมาพิจารณาเช่นจะพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงโรคเป็นทุกโรกเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุก สัญญาเป็นอนัตตาสังขารความปรุงแต่งของจิตไม่เทีย่ยสังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นทุกข์สังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตัวของตัววิญญาณความรู้แจ้งในทางสวารคุกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใ จ, ใใจอาศัยรูปเสียงกปลิ่นลดสัมผัสผ่านเข้ามาเป็นของไม่เทีย่ย เป็นของเป็นพกุกเป็นของเป็นอ น, าานัตตาพิ่เจรณาย้อนกลับไปกลับมาจนจิตเปิดความตัองตัวในการพิจรารณาแล้วทาให้จิตเกิดมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคคตาสงบลงเป็นสมาธิตามลําดับตั้งแต่ขั้นคานิกัสมาธิอุปจาระสมาธิและอุปอัปปนาสมาธิขั้วสองอย่าง เป็นอบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้นจุดมุ่งหมายอยู่ที่สมาธิคือความสงบจิตบริกรรมก็ทําจิตให้สงบมีวิโสวิจารปีติสุเอกัตคตาการพิจารณาก็ทําให้จิตมีสมาธิประกอบด้วยวิโสวิจารปีติสุขเอกัคขตาไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกัน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 ก็ยิ่งเป็นเหตุให้ขัดกันยิ่งขึง้นถ้าหากว่าตางฝ่ายตางเป็นการรู้ต่างเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะขัดกันในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีไหมพระพุทธเจ้าและอรหันอรหันต์ทั้งหลายถกเสียงกันเรื่องการปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นขอให้สาธุชนทั้งหลายเพ่งทาความเข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติครับ พวกแบบพวกอย่างพวกศัพมีจุดประสงค์อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้มีสมาธิคือการตั้งมั่นของจิตให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้สภาวธรรมให้รู้แจ้งเหตนจิตตามตามเป็นจิตคืออนิจจมุกขังอนัตตาและให้รู้ว่าจิตใจของตอนเองที่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับสภาวธรรมเหล่านั้น ความสุขและความทุก ข, ข์จิตจะมีคา ม, มากังขาราะวะกังหาวิภวะกังขามีความยินดียินร้ายมีความพอใจแหลกไม่พอใจและเพื่อให้เจตลู้แจ้ง<ม>เสือมจริงในความเป็นจิตตามกฎขอธรรมธรรมชาติแล้วก็มีการปล่อยวางคือละที่เลซึ่งมีอยู่ในจิตใจมีโรคโปรดหงเป็นต้น เหลือเพียงแต่ว่าสามารถให้โลกโปรดลงไปในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นโดยอาศัยหลักศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยตูเท่าผู่เกอทั้งหลายในเมื่อพูดถึงกิเลสปัญหาแล้วทุกคนรู้สึกว่าเหม็นเบือ่อเหม็นเบื่อเอาจริงๆเริ่มกิเลสแต่เสร็จแล้วขอให้ท่านจงและลึกเราจะลืมว่า กิเลสนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญที่กระตุ้นเตือนจิตของเราให้เกิดวามอยากได้อยากดีอากมีอยากเป็นกิเลสนั่นแหละเป็นตัวที่มีคุณค่ามีประโยชน์แก่บุคคลผู้มีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตีวงสอบเกตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้แก่ศีลห้าขอ้อ ใครจะโลภโมโทสันทะเยอทยานไปเพียงใดแค่ไหนก็ตามจะทำอะไรลงไปให้ไม่ถึงสีล้าสิ่งที่ทำลงไปไม่ละเบิดสีห้าข้อใดข้อหนึ่งแม้จะเป็นพลังของจิเลสหนุนสมก็ตามอันนั้นเป็นการไม่ผิดสีละทำเราอยากมีเงินก็ความโลภอยากมีสมบัติเจ้าของอก็ความโลภ อยากมีอะไรไม่อะไรติปาถาเคราะความโลภเราทัาเ่เยอทั่ยานเคราะอ์อำ น, นาจของตันถารเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเคราะห์อ น, นาจของตันหาแต่เมื่อเราทช้โลภและตันหาความทัเ่เยอทั่ยางไม่ให้ผิดหลักศีลธรรมคือเอาศีลท่าเป็นขอบผิดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่จ่าไม่ตำหนิ ขอให้ททหให้กิเลสให้ผูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้วางเอาไว้หรือได้ตีเส้นตายเอาไว้นักปฏิบัติทั้งหลายที่มีเกลใจอยากจะปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องอา ก, ก, ก็อาศัยกิเลส อ, อันนี้แหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือเราจะได้สิ่งเราอยากได้ทำเราอยากรู้ทำเห็นทำ ความอยากทั้งปวงทั้งสิ้นนั่นแหละเป็นอาการของกิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เราใช้กิเลสปิดทางเราจะทำอะไรอะไรก็ตามต้องขึ้นต้นด้วยศีลห้าศีลห้าเป็นหลักธรรมปรับปรุงตายวาจาแหล่ใจของเราให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เรามีศีลห้าขเรามีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าหาเวลาใด ที่เราทําศีลห้าขาดไปแค่ข้อหนึ่งเปอร์เซ็นตแห่งความเป็นมนุษย์ลดหย่อนลงไปเหลืออยู่เพียงแปดสิบเปอร์เซนเพียงจะทําลายศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นหมดสภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ตายวาจาหลืใจของเราก็ไม่เป็นพาดชนะของเส้นคอยจะรองรับคุณงามความดี ที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้ดังนั้นความมีศีลบริสุทธิ์สะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นนอกจากเราจะมีศีลแล้วเราต้องมีสัจจะมีสัจจะความจริงใจการปฏิบัติธรรมข้างนั้นครั้งนี้อาศัยสัจจะเป็นเครื่องเป็นหลักสําคัญพระภิกสุสง่์ที่ท่านแสดงอาบัตหรือปลงอาบัตเป็นการ ประกาศัจจะทำความจิงที่ตนได้ละเมิดล่วงเกินโดยไม่ปิดบังเพื่อบำรุงสัจธรรมเพื่อกำลังจะก่อตัวขึ้นภายในจิตให้มีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีทุกตีเป็นสัจจะารมีแล้วก็เป็นสัจจะอุปบารมีเป็นสัจจะปรมาถบารมีรมสัจจะบารมีคือสัจจะที่เราตั้งใจไว้ว่าจะทําสิ่งนี้สิ่งนี้ แล้วเราก็ยังมีความตั้งใจควบคุมให้ความรู้สึกของเรามีสัจจะโดยสติปัญญาเรียกว่าสัจจะารามิแต่สาขาสัจจะของเราเองเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราจะตั้งใจก็มีสัจจะไม่ตั้งใจก็มีสัจจะสัจจะของเรากลายเป็นสัจจะอุปปารามิถ้าสัจจะของเรามีความละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้น เป็นสัจจะความจริงใจที่แน่นอนเป็นสัจจะที่ไม่กัะกรอกเราตั้งใจจะรักพระพุทธเจ้าเราก็มีความรักอย่างแท้จริงเราตั้งใจจะเชื่อคุ ณ, ณธรรมของพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างจริงจังเชื่อว่าบนมีบาปมีในเมื่อเชื่อลงไปแล้วมันเป็นการจริงใจที่เชื่อโดยอัตโนมัติ เป็นความเชื่อที่ไม่สามารถที่จะถอนกลับเปลี่ยนมาเป็นความไม่เชื่อได้ศัจตรในตอนนี้ของเราเป็นศาสตราปรมัาถารมีเมื่อเรามีศัจตรเป็นปรมัาถารมีเราก็มีคุ ณ, ณธรรมเป็นเครื่องเกื้อคุณอดนุนให้จิตของเรามีศีลคือตัวปกติที่ปรากฏอยู่ภายในจิตเมื่อเจิตของเรามีความเป็นปกติ มีสัจธรรมเป็นผู้ของจิตอยู่ตลอดเวลาจิตนิ่งจิตสว่างจิตูลจิตตื่นจิตเบิกบานมีความรู้สึกสา น, นึกผิดท้อทั่วดีอยู่ภายในจิตโดยอัตโนมัติซึ่งปราศจากเจตนาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแต่หากกลายเป็นความเป็นเอกโดยปกติของจิตหรือธรรมชาติของศีลซึ่งปรากฏขัดในจิตของเรา เมื่อศีลเปรากฏทับในจิตของเราตัวปกติจิตก็เด่นทัดขึ้นเพราะตัวปกตินั่นคือตัวศีลปกติที่ไม่กลับกอเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมคือสัจะความจริงใจเมื่อเรามีศีลมีสัจจิตของเราก็กลายเป็นสุดตัดเพียงแต่โลยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียว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 สติของผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปตั้งมั่นลงที่อารมณ์ที่เกิดหลักจูกับจิตภายในจิตของเราเองตัสสงวสติก็พร้อมที่จะเป็นอัตโนมัติทาหน้าที่ของตัวไปเองโดยปราศจากสัญญาจิตนาเพราะอาศัยความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตเองนั่นแหละและมีสติรู้เท่าทัานความรู้สึกนึกคิดที่เกิดจับจูภายในจิต ยิ่งปลายเป็นตัวปัญญาในเมื่อตัวปัญญาปรากฏเด่นแัดขึ้นตัวสติก็ปรากฏเด่นแัดขึ้นปัญญากับญญตสติวิ่งตามพันกนัอย่างไม่ลดละไม่ลดลาวาสพ อ, อจิตปัญญาตัวปัญญาเกิดขึ้นสติธรรมหน้าที่รู้อะไรเกิดขึ้นสติธรรมหน้าที่รู้เพียงแต่มีสติรู้อยู่กับอารมณ์ที่เกิดจับกับจิตเท่านั้น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 เมื่อรู้ว่าสภาวะเป็นของไม่เที่ยงโทษขังคือความรู้โทษก็ย่มเปล่าพุดขึ้นเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองสิ่งนี้จึงมีความเกิดตัดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความเปลี่ยนแปลงและทนอยู่กับที่ไม่ได้ตลอดเวลานั่นเองเขาจึงไม่เป็นตัวของตัวอยู่ในลักษณะที่เกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลาย โลกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นทรงตัวอยู่ใชกันบ้างเราก็จะได้ความรู้ว่าสภาวะทั้งควงในจัตาวาดนี้ทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมจหลายตัวในขั้นต้นจิตของเราจะสามารถรู้อ น, นิจจงความไม่เที่ยงควบขังความเป็นทุกข์อนัตาความไม่เป็นตัวของตัวของสภาวะหละอารมณ์ซึ่งเกิดจับปัจจิต อาหาว่าจิตของเราประกอบด้วยองค์ขปุตต์มีศีละความเป็นสุปติมีสัจรรความจริงใจมีสุตาคอยสดับกลับฟังดูหิสตมีปัญญาคือความพิถีพินเกิดขึ้นเจตของเราก็ย่อมจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาดังคือปล่าแล้วเมื่อจจตของเรารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริงเมื่อไหร่ คำว่าการละกิเลสเป็นแต่เพียงโวหารซึ่งจิตเขาจะปล่อยวางของเข้าไปเองในเมื่อปล่อยวางไปเช่นนั้นจาระการสลักพื้นซึ่งกิเลสและอารมณ์ย่อมปลาบปลื้มเมื่อมีการสละกกิเลสและอารมณ์จิตของผู้ภาวนาเกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นและเพียงทั่วขณะหนึ่งขณะจิตเดียวก็ยังมีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติ ถ้าหากไม่เช่นนั้นในบางครั้งบางโอกาสเรามีสติกำหนดรู้สภาวะที่เกิดบบตับปฏิจจุขณะจิตใจอวิชาวิ่งเข้ามาครอบมําเกิดความรู้ไม่จริงขึ้นเิตเกิดความเย็ดในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาย่อมเกิดความยินดีเมื่อความยินดีความพอใจบางเกิดขึ้น พ่อมีปัญญาจมรู้ทันทีว่านี่ตา ม, มัจันหากำลังจะเล่นงานเราแล้วถ้าเกิดความยินร้ายขึ้นพ่มีสติปัญญารู้ทันจะรู้ทันทีว่านี่วิภวตัณหากาลังจะเล่นงานเราแล้วเพราะความยินดีและความไม่ยินดีเป็นสมบทฐานให้เกิดตา ม, มัจันหาวิภวตัณหา ถาหกว่าจิตของผู้ภาวนามีสติไม่รู้ทันเหรือปัญญาไม่เร็ววิชาไม่เกิดไปหลงยึดความยินดีจินายทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภวะตันหาเมื่อจิตของเรามีตัวกันหาคือการมากันหาภวะกันหาวิภวะตันหาอยู่พรอ้อมมีหรือทุกจะไม่เกิดขึ้นในจิต นอกจากทุกข์จะเกิดขึ้นในจิตแล้วยังมีสุขเกิดขึ้นด้วยในบางครั้งบางโอกาสอารมณ์ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขใจในบางครั้งทำให้เกิดทุกข์ใจในเมื่อเกิดทุกข์ใจสุขใจผู่มีสติปัญญาภาวนาได้สติได้ได้อุบายแล้วเขาจะเกิดพิชาความรู้แจ้งขึ้นมาทันทีว่านี่คือทุกขาริยาัร เกิดต้นกับจิตของเราทกอริยสัต์นี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสรู้และทกอริยสัต์นี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสสรูสรร้ก่อนไปทั้งหมดเมื่อเรรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แม้ว่าทกจะยังไม่ดับไปภายในจิต้อตามเขาจะไม่มีการท่อถอย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 เมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตก็ไม่มีความมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาจิตจะย้อนกลับมาตั้งอยู่ในความเป็นปกติมีสัจจะมีศีลมีสัจจะมีสตะ、มีปัญญาแล้วก็มีจาระมีวิมุตมีความหลุดพ้นตามขั้นตอน หรือแล้วแต่พลังจิตจะปฏิวัติตนให้เป็นไป